เรื่องนี้เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กทาลุเราจำความอะไรไม่ได้หรอกเพราะแม่เป็นคนที่เจอแม่เคยเล่าให้เราฟังว่าตอนที่แม่ท้องเราแม่แพ้ท้องอย่างนหนักมาโดยตลอดกินอะไรก็ไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับเจ็บป่วยกระสอะกระแสะอ้วกทั้งวันอาบน้ำยังต้องอาบแต่น้ำเปล่าเพราะได้กินอะไรก็เหม็นไปหมดจนถึงช่วงที่ท้องได้ประมาณ 5-6 เดือนแม่ก็เริ่มเห็นเงาของหญิงแก่ มวยผมหลังคอมๆมผอมสูงยืนอยู่นอกหน้าต่างคือแม่มองออกนอกหน้าต่างตอนกลางคืนไฟในห้องปิดหมดแล้วเห็นเงาผ่านแสงจันทร์มากระทบกับผ้าม่านแม่บอกว่าแม่เห็นแบบนี้ทุกคืนคือมานั่งนิ่งๆท่าเดิมๆแต่ด้วยความที่แม่เราไม่กลัวผีก็เลยไม่ใส่ใจพยายามนอนเพราะปกติก็นอนไม่ค่อยจะหลับแต่ที่แปลกก็คือพอยิ่งท้องแก่ไกลคอด แม่เราก็เห็นหญิงแก่คนนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นและใกล้กลเข้ามามากขึ้นเรื่อยจากที่เห็นเงาที่ด้านนอกหน้าต่างก็กระเถิบมาเป็นมุมห้องจากมุมห้องก็กลายเป็นกลางห้องจากกลางห้องก็กลายเป็นปลายเตียงหรือมักจะเห็นตามมุมอับอับชื้นชื้นแล้วก็จะมาให้เห็นในลักษณะยืนนิ่งๆไม่พูดไม่ขยับแต่มองมาที่แม่ตลอด แม่บอกลักษณะเหมือนผีไทยโบราณที่แก่มากๆผอมเหี่ยวแห้งตาเป็นหลุมลึกดำแต่งตัวเหมือนชุดไทยทางภาคเหนือนับวันแม่ก็ยิ่งสงสัยว่าทำไมถึงเห็นผู้หญิงแก่คนนี้แม่ก็คิดว่าจะไปวัดปรึกษาพระหลายครั้งแต่ก็แพ้ท้องอย่างหนักจนไปไหนไม่ไหวเลยได้แต่อยู่กับบ้านจนกระทั่งคลอดเราคือต้องบอกก่อนเลยว่า แม่เราคลอดก่อนกำหนดสองเดือนเราคลอดออกมานี่ตัวผอมมากๆและตั้งแต่เกิดมาเราไม่กินอะไรเลยร้องอย่างเดียวเหมือนอาการโคลิกคือถ้าไม่ร้องก็จะมองจ้องแต่เพดานตลอดพอเคลมๆจะหลับก็สะดุ้งตื่นมาร้องไห้เหมือนถูกแกล้งอยู่ตลอดเวลาแม่บอกช่วงนั้นแม่สงสารเรามากแม่เลยปรึกษายาดยาดยาดก็พาไปหาพระจีนก็ให้ยันที่เป็นแบบภูมาคือกระดาษยันให้มาเผาแล้วก็กินซึ่งก็ไม่หาย ไปหาร่างทรงตายยายเขาก็บอกว่าเป็นแม่ซื้อมากแกล้งก็เลยให้เอาอาหารคาวหวานไปตั้งไว้ที่มุมบ้านเจวันเจคืนก็ยังไม่หายไม่ดีขึ้นเลยทําทุกวิถีทางแล้วจริงๆเราก็ยังร้องแหกวปางไม่กินไม่นอนเหมือนเดิมมีอยู่คืนหนึ่งแม่กอบเราจนเคลิ้มหลับไปได้แม่เราก็ไปอาบน้ําทิ้งเราไว้ในเปลคนเดียวระหว่างที่แม่กําลังอาบน้ําอยู่ ก็ได้ยินเสียงเราร้องขึ้นมาอีกทีนี้แม่เราก็เลยหงดหงิดคิดในใจว่านี่มันผิดปกติไปแล้วเด็กอะไรร้องอยู่นั่นเพราะตามธรรมชาติของเด็กทารกมีแต่กินแล้วก็นอนแต่นี่ไม่กินไม่นอนเลยแม่แต่แม่เราก็คิดอะไรไม่รู้ตอนนั้นลองแอบย่องมาดูว่ามีคนแกล้งอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นผีหรืออะไรจะได้รู้ๆกันไปเลยแม่ก็เดินย่องเข้าไปในห้องห้องมืดสลัวๆมีแค่ไฟดวงเล็กๆ กับเปลเราอยู่กลางห้องเป็นเปลแบบต่ำๆเกือบติดพื้นสำหรับทารกนอนได้คนเดียวและแล้วสิ่งที่แม่คิดก็เป็นจริงเพราะข้างๆเปลเหล่านั้นเป็นหญิงแก่หลังคอมนั่งคุกเข่าทับส้นมือทั้งสองข้างวางอยู่บนตักแล้วชะงกหน้าเข้าไปในเปลก้มไปมองหน้าเราแบบเหมือนคอจะยาวจนผิดรูปเลยและนั่นก็คือเหตุผลที่ทาให้เราร้องไห้ไม่หลับไม่นอนแม่เราเห็นอย่างนั้นก็เลยยืนสวดมนต์ตรงนั้น สวดหลายบทมากๆแต่สวดเท่าไหร่ก็ไม่ไปสวดไปได้สักพักเหมือนเขาจะรู้ว่าแม่สวดเขาก็ค่อยๆหันมาทางแม่เราช้าๆมองมาทางแม่พร้อมกับยิ้มให้แต่เป็นยิ้มที่น่าสยดสยองมากแล้วก็หันกลับไปจ้องเราต่อแม่บอกว่าเขาคือหญิงแก่คนเดียวกับที่แม่เห็นมาตลอดตอนท้องเราเช้าวันรุ่งขึ้นแม่พาเราไปหาพระที่วัดทันทีเพราะท่านบอกว่าลูกสาวโยม ถูกเจ้ากรรมนายเวรตามมาทวงคืนบนหัวเด็กมีปานแดงขึ้นเต็มหัวเลยปานแดงคือสนัญลักษณ์บ่งบอกว่าเขาจองไว้แล้วและจะตามมาเอาคืนแล้วเขาก็ตามมาเจอแล้วหลังจากนั้นก็ต้องทำพิธีกันยกใหญ่เลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แม่เราเล่าให้ฟัง